วันนี้หลังจากที่เรานั่งสมาธิเสร็จตอนออกจากสมาธิใหม่ๆถ้าเราสังเกตเราจะเห็นอะไรเกิดขึ้นอย่างหนึ่งเมื่อตอนเราออกจากสมาธิแล้วก็คือความสะหบของจิตจิตดวงเดียวกันพอเราจับเขามาฝึกมารู้อยู่กับลมหายใจเรื่อยๆพอเราออกจากลมหายใจใหม่ๆเราก็จะเห็นว่าจิตมีความสะหบอุเบกขายังอยู่ที่จิตอุเบกขาตัวนั้นน่ะเป็นตัวที่มีสติอยู่ ถ้าจิตที่มีอุเบกขาอันมีสติอยู่มันสามารถที่จะทำมานสิการคือพิจารณาสภาพธรรมที่ปรากฏในปัจจุบันนั้นได้ตามความเป็นจริงในขณะนั้นนะแต่พอสักพักหนึ่งพอมันออกมาออกจากสมาธิมาสักระยะเวลาหนึ่งยิ่งถ้าไปจับโทรศัพท์เข้าด้วยนะเดี๋ยวแปบบ๊บเดียวมันกินหมด แนตั้งตอนที่นั่งอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยเรื่อยและออกจากลมหายใจใหม่อุเบกขายังอยู่ที่จิตความโสมยังอยู่ที่จิตสักพักหนึ่งพอเราออกจากสมาธิมันก็ยังอยู่มีความโสมอยู่ยงั้นเราก็สามารถที่จะใช้สติและอยู่กับอุเบกขานั้นได้จะเคลื่อนไหวทําอะไรก็เป็นไปตามความเป็นจริงโดยมีสติคอยตรวจ ด, ดูรู้อยู่มันก็จะต่อยอดมันไปเรื่อย ออกจากสมาธิจะลุกก็รู้ว่าลุกจะขยับก็รู้ว่าขยับเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนทําอะไรก็รู้ว่าทําอุเบกขาตัวนั้นก็จะถูกใช้ไปเรื่อยเื่ด้วยสติแต่ว่าพอมันออกจากสมาธิเสร็จมีอุเบกขาอยู่หน่อยหนึ่งแล้วไอ้กิเลสชาติมันก็ยึดคืนไปพอมันยึดคืนไปเสร็จมันก็ไปทําไอ้อุเบกขาที่ได้มาหน่อยหนึ่งก็หายไปกําลังของจิต ที่พอดีดอยู่มันก็หายไปให้เราพิจารณาย้อนหลังพิจารณาเห็นแล้วเราก็จะรู้ว่าการสู้กันระหว่างธรรมะกับอาธรรมภายในตัวของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้และขนาดว่าเรายังใช้โอกาสฝึกฝนและเป็นอย่างนี้มันจะป่วยกล่าวไปใหญ่คนที่ไม่ฝึกฝนนะ ให้คนที่ไม่เคยฝึกฝนเลยไม่เคยเปิดให้โอกาสให้กับจิตได้สัมผัสกับธรรมที่เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่พวกเขาก็จะมาพูดว่า อ, อ, อย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เรารู้ ร, รู้อยู่เห็นอยู่มันโทษกันไม่ได้หรอกทิศทางของกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะกิเลสมันก็ถ้าพายเราไปเป็นอย่างนั้นน่ะกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละ ย, ยามที่ไม่มีการกระทบอ่ะ โอ้โยมันดูยไปหมดอ่ะเหมือนจะทั่งเราเนี่ยเวลามันไม่มีเหตุปัจจัยมากระทบมันกระทบกับคนอื่นเราก็มองเห็นได้ใช่ไหมเราก็พูดได้โอ้โยคนนั้นโอนั่นหน้าอย่างนั้นนั่นอย่างนี้นัน่นอย่างอ้นนั่นอย่างนั้นนั่นอย่างนั้นแต่ว่าเวลามันมาเกิดกับเราเราก็าเอามันไม่อยู่เหมือนกันใช่ไหมเราเอามันไม่อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาอะไรก็ตามที่เป็นอารมณ์ภายนอกเกิดขึ้น เห็นแล้วรู้แล้วน้อมมาข้างในทันทีเลยและเราจะไม่เสียโอกาสอะไรที่มันเกิดขึ้นกับใครก็ตามที่มันเคลื่อนไหวอยู่ทําให้เราเห็นเห็นเสร็จแล้วเราหวมันอีกเิเกลเลตนี่มันน่ากลัวจริงๆกรรมมันน่ากลัวจริงๆแล้วน้อมเข้ามาที่เราน้อมเข้ามาที่เราพอน้อมมาภายในแล้วก็มันจะเป็นธรรมะมันจะได้ทันทีในขณะนั้นพอน้อมก็ามาภายในพิจารณาใจตัวเอง พิจารณาไปบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเวลามันมีปัจจัยมาเกิดเวลามันมีปัจจัยเหตุอันให้กระทบเกิดขึ้นเนี่ยเวลามันจะเกิดเราก็จะมีความรู้ที่เป็นฐานจากการที่เราเรียนรู้พิจารณามาเนี่ยเป็นตัวบอกเราว่ามันกำลังเกิดขึ้นมันเลยทำให้เรารู้ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงได้ แต่ถ้าเราไม่น้อมไม่พิจารณาข้างในอยู่ๆมันเกิดมันเหมือนกับเราเดินเดินเดินไปแล้วอยู่ๆงูจงอางมันโผล่ขึ้นมาที่ข้างขาของเราเราทำอะไรไม่ได้มีแต่ตกใจกระโดดสะดุ้งห น, นีใช่ไหมอืมเหมือนเราอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็อยู่ๆวันหนึ่งโจรมาประกาศว่าอีกสิบวันจะลงมาปล้นหมู่บ้านที่เราอยู่เนี่ย เราอยู่ในหมู่บ้านด้วยกันอีกสิบวันโจรมาบอกแล้วส่งสัญญาณมาแล้วจะลงมาปล้นหมู่บ้านนี้คาว่าปล้นมันออกหมดแล้วมันเคยเข้ามาหมู่บ้านไหนมันกวาดเกลี้ยงแล้ว ก, ก็มีการตรงการตายกันเกิดขึ้นเรารู้สึกยังไงตอนนั้นเกิดอาการฮะราวะแล้ว แล้วก็รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินที่มีพอพาไปได้หนีถูกไหมเออหนีออกจากหมู่บ้านก่อนหนีไปอยู่ตามป่าตามเขาในระหว่างที่หนีอยู่นั้นจิตก็เกิดอะไรกระวนกระวายกระวนกระวายปวแต่เมื่อถึงวันครบกรรำหนดที่โจรเขาให้สัญญาไวา้หมู่บ้านนั้นไม่ถูกปล้นโอ้โล่ กลับบ้านแล้วลงไปแล้วใช่ไหมพอลงไปแล้วนั่นอาการที่มันลงไปเอาเข้าของทรัพย์สินริงการิรึงการไปไหว้ที่หมู่บ้านนั้นอาการที่มันหนีครัง้งแรกอยู่ในป่านั่นอะ่ะเป็นอาการดิ้นรนฟุ้งซ่านนะหลังจากนั้นก็นากลับเข้าไปใหม่มันก็เพราะว่าจุนไม่ลงพ้นเพระจนไม่ลงต้นมันก็สบายมันก็กลับไปอย่างเดิมโอ้ย นอนสบายหรือสบายไม่ไ ม, ไ ม, ไม่รู้สึกกับวนกระบายแล้วโจนเห็นว่าทุกอย่างกลับมาแล้วโจนลงมาปลดใหม่ยึดเข้าของเครื่องใชตง้ต่างๆไปหมดและวก็ฆ่าตายกันโดยเยอะแล้วก็มีกลุ่มคนที่รอดพ้นจากการตายยังมีชีวิตอยู่แต่เต็มไปด้วยคราบเลือดร่องรอยของความสูญเสียโจนไปแล้วคนเหล่านี้ก็จะเกิดความโศกความเศร้าเมื่อนึกถึงเรื่องราว ที่โจรมันทำการเขียนฆ่านึกถึงเรื่องราวที่ทรัพย์สินของตนถูกนำออกไปนึกถึงเหตุการณ์นั้นแล้วก็ความโศกเข้ามาบีบคั้นจิตอืมใช่ไหมเออแล้วก็นึกถึงไปในอนาคตว่าจะอยู่อย่างไรโอ้ยมันเกิดการเยอะแยะมากมายอาการนี้เรียกว่าความโศกบีบคั้นจิตแล้วอ่บีบคั้นจิต ตอนที่อยู่ในป่าที่หนีไปครั้งแรกอะ่ะเจอนามเจออะไรเจออะไรอยอนะอยะไอ้ไอพวกนี้เป็นอาการฟุงร้งซ่านเหมือนกันเน่ยเรามีโจรที่รอจะปล้น <c oughs> <c oughs> เพียงแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาปล้นตอนไหนนะเออแต่มันปล้นแน่ มันให้สัญญาณมาอย่างหนึ่งว่าอาจจะเป็นนาทีเนี้ยชี้แต่โยมยมอย่าตกใจนะเพราะมันอยู่ตรงๆอย่างเงี้ยแล้วแต่มาเป็นคนถนัดซ้าย <laughs> ชี้แต่โยมมายอมจะตกใจจนมันมันให้สัญญาณมาตั้งแต่วันที่เราเกิดอยู่ในหมู่บ้านนี้มันนั่นสัญญาว่ามันปล้นแน่ แต่ว่าไม่รู้วันไหนในระหว่างที่เราไม่รู้ว่าโจรมันจะเข้าพร้นเราก็หลงตัวหลงกายหลงโลกหลงหรือหมดปล่อยไงโอ้ยสนุกสนานคลื่นคลืนค่นใช้เวลาทั้งหมดที่มีทำอะไรเพลิดเพลินไปกับโมหะด้วยอํานาจของตัณหาทําให้เราเนี่ยไปแสวงหาอะไรเพื่อให้มันเกิดขึ้นเรื่องอะไร ให้ตัวเราแข็งแรงและให้มีของเราเยอะๆเยอะๆยอๆยะๆยะ ๆ, ๆด้วยความหลงความเพลินแล้วในที่สุดจจ น, ม, นมันปล้นไหมละ่ะฮะมันเข้าปล้นแน่นอนมันเข้าปล้นแน่นอนเพราะในหมู่บ้านนี้มันให้สัญญาณไว้แล้วว่ามันต้องเข้าปล้นปล้นแน่นอนพอโจรเข้าปล้นแลน้วแม่งโหวตงวงพ่อ ดูทีฉันไม่รู้มันเวีนกรรมอะไรไม่รู้ทํากรรมไว้แต่แต่ไหนเคราะเวีนกรรมจริงๆเลยมันดีๆอยู่หนะ้าปีที่แล้วไม่เจ็บไม่ป่วยเลยทําไมปีนี้มันเจ็บป่วยเหลือเกินนะโจดนข้าวล้นแล้วเริ่มเริ่มโดนโจนข้าวพลุนแล้วแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นปลุนข่านะมันเริ่มมันเริ่มพล้นแล้วพอผ่านไปผ่านไปอีก อ่าทีนี้ก็เาดีนะไปปรึกษาหลวงพ่อจะไปปรึกษาที่ไม่ใช่หลวงพอ่อโอ้โหเอาพดีดปลาไหลร้อยตัวต่อร้อยแปดถูกปล้นหนักครับอีกโลรปล้นหนักครับอีกเพราะฉะนั้น เมื่อเราหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวเราว่าเรายังไม่ตายอย่าปล่อยให้ชีวิตนี้มันไหล อ, อยู่กับอำนาจของความเพลินอย่างเดียวอย่าให้มันไปสวหงาอย่างเดียวจงรู้ไว้เถิดเถอะเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีวันนี้ปฏิทินชีวิตของเราอาจจะเป็นแผ่นทุดท้ายที่ถูกฉีกออกไป ปฏิทินแผ่นต่อไปของเราไม่มีวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราเพราะมันไม่มีเครื่องหมายว่าเราจะต้องตายตอนไหนหรือมีเรามันไม่ใย่สินค้าในเซเวน่นในเซเว่นมีกี่บรรทัดฮะในเซเว่นมีกี่บรรทัดสองของเรามีกี่บรรทัด บรรทัดเดียวฮะ เ, เรามีบรรทัดเดียวอีกบรรทัดหนึ่งไม่เขียนไว้หมายความว่าเกิดได้ทุกเวลาตลอดเวลาแล้วสาเหตุเยอะมากโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้นะทั้งภายนอกและภายในเสียเขาเรียกว่าเสนาของมัจจุราชเยอะมากถ้าเรามาพิจารณาตัวเราเองขนาดนี้เนี่ยเขาไปอายุเท่าไหร่ถามเราอีกแล้ว อายุคิดไหมว่ามันอัศจรรย์เหลือเกินรอดมาได้ยังไง <c oughs> อ่ะจริงๆมันอัศจรรย์นะมันรอดมาได้ยังไงเอวังมัจจานาชีวิตตังการมีชีวิตอยู่ของสัตว์ผู้ซึ่งจะต้องตายแน่ๆ แ, แล้วเรายังไม่ตายเนี่โอ้โหมันอัศจรรย์มากคิดดีหั ว, ห, วหัวใจเราอะอยู่ในท้องแม่มันเต้นู่ถึงวันนี้มันเต้นกี่ครั้งแล้วเนี่ยมันต้องหยุดเต้นนะ ไม่มอง ม, มองเองมั่งก็ได้ว่ามองกันเฉลี่ยเฉลี่ยกันมันต้องหยุดเต้นแน่นอนอนี่คืออัศจรรย์เพราะฉะนั้นชีวิตเราเหมือนยืนอยู่บนเส้นได้การเคลื่อนไหวของชีวิตก็เหมือนเดินอยู่บนเส้นได้แท่ที่จริงเราต้องยังไงเราต้องคอยระวังไม่ให้มันตกร่วงหล่นลงไปจากเส้นได้แต่เราทำยังไง เดินลอยชายเพลิดเพลินโอ้ยดูน น, นกก็สวยลมก็ดีอากาศก็เย็นโอ้ยตรงนั้นดีนะทั้งทั้งที่ตัวเองเดินอยู่บนเส้นได้แนละ้วแล้วเราไม่ตกลงไปตายอ่ะมันอัศจรรย์ไหมอืมมันอัศจรรย์มากบราฉนั้นจะปล่อยให้ชีวิตของเรามันแก่ตายไปเ ฉ, ะฉะยเฉยไม่ได้ไม่ได้ไ มันไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าพระพุทธเจ้าทำไว้หมดแล้วพระพุทธเจ้านี่ทำไว้หมดทุกอย่างถ้าเป็นการป่วยโรคพระพุทธเจ้านี่คิดคนวิธีรักษารู้ตำรับยารู้วิธีปรุงยารู้ตัวยาและรู้เฉพาะโรคด้วย รู้วิธีรักษาแล้วก็บอกไว้อย่างทั้งหมดทุกอย่างเรามันง่ายมากเราเป็นคนป่วยที่แค่ว่าเอายามาปรุงแล้วก็กินตัวยาก็ไม่ต้องหาพระพุทธเจ้าทำไว้ให้แล้วแค่ปรุงแล้วก็กินซึ่งการปรุงก็ไม่ต้องคิดเอง มีวิธีที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ให้หมดแล้วยั่มันยากตรงไหนทุกวันนี้โลกมันอยู่กับความหลงความเปลินนี่น่าสลดสังเวชเราไปตรงไหนทุกคนและไม่ว่าโยมหรืออัตามาละเราก็จะเห็นเราจะเจอนะที่มีการสําคัญตน โดยความเป็นตนตามฐานะที่เป็นโดยไม่รู้ว่าไอความสำคัญตนและก็บฐานะของตนที่เป็นนั้นอ่ะมันเป็นเพียงมายาภาพที่หลอกให้มันโห้ติดอยู่เฉยๆถ้าเปรียบแล้วเหมือนกับทั้งหมดเนี่ยเหมือนไก่ที่กขาขังไว้ในคอกเออบางทีตอนเช้าก็มีคนล้วงเข้ามาในคอกคว้าคอมาเชื้อ พอสายหน่อยก็ล้วงเข้ามาในคอกคว้าคอไปเชื่อตพอเย็นหน่อยก็ล้วงเข้าไปในคอกแล้วคว้าคอไปเชื่อตพอค่ำเขาก็ล้วงเข้าไปในคอกคว้าคอไปเชื่อตพอดึกเขก็ล้วงเข้าไปในคอกคว้าคอไปเชื่อตพอเลยเที่ยงคืนไว้อีกเขาล้วงเข้าไปในคอกคว้าคอไปเชื่อตยังไม่ทันเช้ายังไม่ทันราเลยรุ่งเขาก็ล้วงเข้าไปในคอกคว้าคอไปเชื่อต ชาวถูกล้วงก็ไม่ได้ขอกอยู่แค่น่ะแต่ไอาบรรดาไก่เหล่านั้นที่มันอยู่ในขอก่ะมันทําอะไรแย่งตัวเมียกันแย่งอาหารกันตีกันวิ่งเล่นกันแล้วก็ทะเลาะเบาแวงกันอยู่ในขอกันน่อถ้ามันทุกตัวรู้เหมือนกันถ้ามันทุกตัวนัะรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวก็จะต้องถูกล้วงข้อออกไปเชื่อถูกล้วงออกไปเชื่อถูกล้วงออกไปเชื่อมันจะเป็นยังไง ถ้าไก่ตัวที่มันโง่โงหน่อยแต่มันรู้อย่างนี้แล้วมันก็คงจะงอยเหงารอความตายรอการถูกเชื้อใช่ไหมถ้าตัวที่ฉลาดหน่อยมันทําไงยังไงยังไงมันไม่รู้ว่าถ้าเป็นตอนเช้ามันไม่รู้ว่าสายนี้มันจะต้องถูกเชื้อหรือเปล่าหรือตอนสายมันก็ไม่รู้ว่าเที่ยงนี้มันจะถูกเชือดหรือเปล่าถ้าเที่ยงมันก็ไม่รู้ว่า บ่ายนี้มันจะถูกเชื่อหรือเปล่าถ้าบ่ายมันก็ไม่รู้ว่าเย็นนี้มันจะถูกเชื่อหรือเปล่าเอาถ้าเย็นไม่รู้ว่าค่ำนี้มันจะถูกเชื่อหรือเปล่าถ้าค่ำมันก็ไม่รู้ว่าดึกนี้มันจะถูกเชื่อหรือเปล่าเอาถ้าดึกอยู่ไม่รู้ว่าค่อมรุ่งนี้มันจะถูกเชื่อหรือเปล่าถ้าค่อมรุ่งแล้วไม่รู้ว่าเช้าวันนี้มันจะถูกเชื่อหรือเปล่าถ้าไก่ตัวนี้มันมีความฉลาดพอที่จะคิดอย่างนี้ได้มันก็จะรู้สึกได้ว่าเวลาของมัน ชีวิตมันที่อยู่ตอนนี้มีค่ามากและน้อยเหลือเกินอะแค่รู้สึกอย่างนี้อะว่าชีวิตมันมีค่ามากและน้อยเหลือเกินความหลงความเพลินของมันที่มีอยู่ก็จะหายไปโดยปริยายแค่นั้นเองนะแล้วมันก็ทำยังไงทำเวลานาทีที่มันมีอยู่นขณะนั้นอะ น, นาณะนั้นอะให้มันเป็นสุขที่สุด แล้วมันก็จะไปเห็นความทุกข์สุดท้ายในยามที่ถูกจับคอทุกไหมถูกลากออกไปทุกไหมถูกเขาวางไว้เหยียบปีกเหยียบปีกจับคอยึดคอขึ้นเท้าก็เหยียบปีกไว้คอก็ถูกยึดขึ้นเงือมีดไก่ในขณะนั้นเป็นไงเป็นทุกไหมทุก หลังจากนั้น ค, อ ค, อ ค, อคอ่อยๆเอามีดจออออออ่อที่คอทุกไหมกค่อยๆขยับเชื้อตีเรือนนิดตีเรนนิดตีขาทุกไหมทุกไหมกว่าจะตายดิ้นปักปักปักปักปั ก, ปกแล้วก็ทุกไหมทุกซึ่งมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนไหมมันก็เกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นมันจะต้องเอาชีวิตที่มีค่าของมันแม้กระทั่งในายามนั้นก็ต้องเป็นสุขต้องให้ผลจากทุกข์อันนั้นด้วย อันนี้ไก่ฉลาดเราจะเป็นไก่แบบไหนโลกทีとと่เราอยู่เกิดมาชาตินี้เหมือนไก่อยู่ในคอกทำไมทำไมหน้าตาเท่้าๆวะเหมือนไก่อยู่ในคอกใช่ไหมอืม เหมือนใจอยู่ในครอบนั้นตัวที่จะเข้ามาช่วยเราพระพุทธเจ้าบอกเสร็จสอนเสร็จสิ้นคือตัวสติสติที่มันแข็งแรงสามารถกันจิตออกจากความทุกข์ได้ในขณะในขณะในขณะให้เขาแข็งแรงและก็ยืนหยัดตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมันจะต้องฝึกฝนโดยใช้ สิ่งทั้งสี่เป็นฐานที่ตั้งของสติเราเรียกว่าสติปัฐานนั่นน่ะฝึกผลก็ไปแล้วภูมิแล้จิตก็จะเปลี่ยนไปภูมิจิตก็จะตั้งขึ้นมาเรื่อยๆก็จะไม่อาลัยในกายนี้มากจนในที่สุดหมดความอาลัยในกายถ้าจิตอาลัยในกายมากมันก็ทุกข์มากพอกาลังสติเจริญขึ้นความอาลัยในกายก็เบาลงไปความทุกข์ก็ น้อยลงจนจิตถอนความมาลัยออกจากกายหมดก็ไม่มีความทุกข์จากกายที่เรียกว่าอาระยะสมุข ค, คาโตนะ่ะถอนความมาลัยออกไปด้วยกําลังของสติทั้งสิ้นอแต่ถ้าเราปล่อยอย่างนี้มันได้แหละวันนี้อ่มันได้แหละตอนนี้ มันได้อยู่แค่นี้แหละแล้วเราก็เข้าใจผิดคิดว่าเราเก่งกว่าเขาดีกว่าเขาและเราจะต้องใช้ใช้ทุกวิถีทางให้เราเก่งกว่าเขา <c oughs> ดีกว่าเขาอยู่ต่อไปเรื่อยรื่อยแล้วมันได้ไหมยริงจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นการเปิดโอกาสตัวเองให้ได้เจริญสติฝึกฝนขึ้นมาเพื่อให้ภูมิจิตของเรา แข็งแรงขึ้นนี่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเพื่อเช้าเราก็นั่งมาในระยะเวลาหนึ่งเย็นนี้เอ้ยตอนเที่ยงนี้หลังเที่ยงนี้ถ้าให้นั่งอีกเองว่า <c oughs> จะเกิดอืมีนี้จะให้เดินการเดินจเจริญสติก็เป็นสติปัฏฐานที่มีกายเป็นฐานนะ Watering, แต่การเดินเรารู toolkit, <S <S ้อยู <S <S <S ่ที่อิริยาบถรู้การเคลื่อนไหวของเท้ายกขึ้นก็รู้เท้าก้าวไปก็รู้เหยียบลงก็รู้รู้อยู่แค่นั้นอ่ะรู้ซื่อๆลงไปตรงๆอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องไปสงสัยลังเลไม่ต้องไปตั้งคําถามอะไรมากแค่รู้ซื่อๆลงไปเท้ายกขึ้นก็รู้ย่างไปก็รู้เหยียบก็รู้ยกขึ้นก็รู้ย่างไปก็รู้เหยียบก็รู้รู้ไปอย่างนั้นอ่ะ เท้าที่ถูกรู้เป็นปัจจุบันอาการจิตที่รู้การเคลื่อนไหวของเท้านขณะ น, นั้นก็เป็นปัจจุบันธรรมความรู้สึกที่เกิดในตอนนั้นเป็นปัจจุบันเพราะมันเป็นปัจจุบันมันก็ไม่มีอดีตมันไม่มีอนาคตเวลาของลมงเลยมันเป็นศูนย์ยกขึ้นก็รู้ย่างก็รู้เหยียบก็รู้ยกก็รู้ย่างก็รู้เหยียบ ก, ก็รู้ยกก็รู้ย่างก็รู้เหยียบก็รู้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราเคลื่อนไหวเท้าอยู่ในการเดิน ก็เป็นแค่เพียงสภาวะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นแค่สภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปให้จิตเห็นเป็นอย่างนั้นการเดินของเราก็จะได้ทั้งสติสมาธิและปัญญาเหมือนกันแต่ถ้าอากุศลเกิดขึ้นในระหว่างเดินทำไงฮะอ่า ความคิดอันเป็นอกุศลเกิดขึ้นในระหว่างที่เราเดินอยู่นั้นทำยังไงฮะอย่าให้จิตอยู่ใต้อำนาจอย่าให้มันมีอำนาจเหนือจิตเราใช้สติที่รู้การเคลื่อนไหวของเท้านั่นแหละไปรู้อกุศลที่เกิดรู้ความคิดที่เกิดมันเป็นเป็นแค่ความคิดที่เกิดขึ้นและบรนดับไปตัวนี้เราก็จะได้ปัญญาจากการเดิน ไม่ต้องใส่ใจว่าเราเป็นใครนะแค่รู้ว่าเราคือกายใจเป็นชีวิตชีวิตหนึ่งที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเจริญสติต่อจากนี้เราก็จะรู้สึกต่อการก้าวเดินของเราให้กายอิริยาบถเป็นที่ตั้งของสติเมื่อเท้าขยับอย่างไรจิตก็รู้อย่างนั้น ในขณะที่ยืนรู้ก็รู้ว่าเรายืนจิตรู้ว่ายืนการยืนคือกายที่มันตั้งตรงน้ำหนักเราวางลงที่ขวาเท้าซ้ายขวาเรารู้สึกได้ในขณะนั้นเรียกว่าการยืนแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะรู้สึกกับการเคลื่อนไหวของเท้านี่เป็นจิตต้นจิตต้นสำคัญมากในระหว่างที่ยืนเราก็ตั้งใจว่าเราจะรู้สึกต่อการเคลื่อนไหวของเท้าเรา ถ้าถนัดซ on on ้ายก็เอาซ้ายก่อนถนัดขวาก็ขวาก่อนถนัดซ้ายก็เมื่อท้นเท้าขยับขึ้นก็รู้สึกตั้งแต่ต้นเช้าก็เริ่มขยับเท้าเริ่มย่างไปก็รู้สึกพอเท้าเหยียบก็รู้สึกพอมาข้างขวาท้นเท้ายกขึ้นก็รู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกรู้ซื่อๆลงไปที่เท้าซึ่งมันเคลื่อนไหวอยู่การเคลื่อนไหวของเท้าที่จิตรู้นี่แหละเรียกว่ารู้ซื่อๆตรงๆไป อาจจะมีการบางังคับมั่งอาจจะมีการกำหนด <m ix> ม like <m ix> <m ix> ั่งก็ไม่เป็นไรสลับปะปนกันไปแต่ว่าให้มันรู้สึกในขณะที่มันเคลื่อนความรู้สึกนี่สําคัญมากไม่ใช่การคิดไม่ใช่การนึกแต่มันเป็นความรู้สึกมันเป็นปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นในขณะที่ท่อนเท้ายกขึ้นรู้สึกนี่เป็นปัจจุบันในขณะที่เท้ามันย่างไปก็รู้สึกนี่เป็นปัจจุบันในขณะที่เท้าเหยียบลงก็รู้สึกนี่เป็นปัจจุบัน ขณะที่ส้นยกขึ้นก็รู้สึกเรียกว่าใส่ใจในการยกใส่ใจในการย่างใส่ใจในการเหยียบพอถึงจุดที่เราจะหมุนตัวเราก็รู้ว่าหมุนเราก็รู้ถท้ามันหมุนไปเราก็รู้พอมันหยุดยืนเราก็รู้อาการที่มันรู้สึกในขณะการเคลื่อนไหวของเท้าทุกๆขณะนี่แหละ คนใหม่เดินเป็นยังไงบ้างลูกต่างกันก็คือเร็วก็คือเร็วช้าก็คือช้าต่างกันไหมต่างกันอืแต่จิตถ้าเดินช้าก็รู้ช้ารู้ในการเคลื่อนไหวตามที่มันช้าเร็วก็รู้ตามเคลื่อนไหวที่มันเร็วแต่ว่าเวลาเราเดินเร็วระยะการรู้ของจิตเนี่ยจะไม่ค่อยทัน มันนักไม่ได้ในทางความรู้ตัวใช่มากกว่าแต่ว่าไอ้จิตที่รู้จริงๆมัรู้ไม่ทันพอรู้ไม่ทันการฝึกมันก็จะยากขึ้ น, นดเิเรกเริ่มพอเราฝึกช้าเนี่ยจิตรู้มันจะรู้ทันทุกขณะที่มันเคลื่อนช้าช้าช้า แล้วจิตรู้นี้จะแข็งแรงขึ้นเมื่อจิตรู้แข็งแรงขึ้นมันจะเกาะเร็วขึ้นการเคลื่อนไหวของเท้าจะเร็วขึ้นตามการตามกำลังรู้ของจิตทีนี้มันก็จะเป็นธรรมชาติของมันแต่ว่าฝึกเร็วหรือฝึกชา้าได้จะเดินเร็วก็ได้สุดท้ายเวลาเราเดินเร็วๆเราก็จะไปรู้ตอนหมุนตัวนะ่ะ ใช่ไหมตอนหมุนตัวต้องรู้ไม่รู้เป็นไปไม่ได้ไม่รู้มันหมุนไม่เป็นเราเดินไปอย่างเงี้ยระหว่างเนี้ยเราเดินเร็วไปเนี่ยเราอาจจะรู้มั่งไหมรู้มั่งแต่ว่าเราไปหยุดปั๊บแล้วเราจะหมุนตัวนะมันรู้ตรงนั้น่ะจิตก็จะถูกแฝงไว้ด้วยจุดสองจุดเงี้ยรู้ตรงนี้ระหว่างนี้รู้มั่งไหมรู้มั่งก็ไปรู้ตรงโน้นหมุนก็มารู้มั่งไหมรู้มั่งมารู้ตรงนี้หมุนออกไปรู้มั่งไหมรู้มั่งไปรู้ตรงโน้น เดมันเด๋ยมันก็รู้ท่า น, นแต่การเดินช้าเป็นอย่างนั้นเวลาเรายกปกติเวลาเรายกไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกแต่ทีนี้เราจะฝึกให้มันรู้ก็คือยกขึ้นก็รู้สึกย่างไปก็รู้สึกเหยียบลงรู้สึกสังเกตเวลาเราเหยียบรู้สึกเนี่ยไอ้ส้นข้างฝามันยกขึ้นมาแล้วมันยกขึ้นโดยที่เราไม่ได้รู้สึกใช่ไหม เ อ, อเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกเท้าที่เหยียบหลังจากนั้นก็ไปรู้สึกส้นฝาที่ยกขึ้นฝึกมันอย่างนั้นแล้วมันจิตรู้นี่มันจะแข็งแรงและเร็วเมื่อมันแข็งแรงความสติมันก็จะเร็วขึ้นการก้าวเท้าก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นใครมีอาการปเกิดมั่งในระหว่างเดินเ อ, อ่ยามรับมีมีแล้วเป็นไง อ้าวคนโน้นก่อนนีอกุศลเกิดขึ้นได้เป็นไงนน ไ, มไม่ ไ, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กล้าที่จะจ้องมันใช่ไหมกลัวมันจะครอบงำใช่ไหมไม่ไม่กล้าไม่กล้าจ้องเพราะกลัวมันจะปรุงแต่งใช่ไหมก็ยั ง, ง, งยดีนะที่รู้ตัวพอเวลาเรารู้ว่าอากุศลเกิดเนี่ย เรารู้ว่ามันคืออากุศลในขณะเดียวกันอกุศลที่มันเกิดมันมีเหยื่อของมันคือเหตุปัจจัยที่ให้อกุศลเกิดเนี่ยถ้าเราไปจ้องมันมันจะเกิดการปรุงแต่งกำลังของอากุศลก็จะแรงขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็จะครอบงามจิตทีนี้เรากลัวเราก็เลยยกจิตออกมาอยู่กับลมหายใจซะไม่ให้อากุศลจนกว่าอากุศลมันจะหายไปเอง ก็ใช้ได้ก็เป็นเทคนิคพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ดีสอนไว้ดีในเรื่องนี้อากุศลเป็นเสมือนสุนักยิงจอกที่เรียกว่าวิชาเต่ากุมโบวะอังคาริสเกกะลาเปสโบดะหังพิกุมโนวิตกเกว่าเต่า หากินอยู่ชายฝั่งและมีสุนัขจิ้งจอกก็หากินอยู่ชายฝั่งสุนัขจิ้งจอกโดยปกติพอเจอเต่าเนี่ยมันวิธีกินก็คือว่าหับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่หัวก็ขาข้างใดข้างหนึ่งหับเสร็จแล้วมันสับบัดสับบัดสับบัดสับบัดสับบั ด, บ ด, บดในที่สุดนะตัวเต่าทั้งตัวจะหลุดออกจากกระดองแล้วสุนัขจิ้งจอกจะกินได้ทั้งทั้งตัว เต่าตัวนี้มันฉลาดแล้วเต่าตัวนี้มันฉลาดแล้วเขเดินไปเจอ น, นักซิงจ่อปั๊บมันหยุดแล้วก็หดเอไว้ยวาวะทั้งหมดไว้ในกระดองสุงนักซิงจ่อก็เดินคว้าแล้วก็วียนเวียนวนวนวนซ้าวนขวาคว้าอยู่นั่นนะแต่เต่าไม่โผล่อวัยวะส่วนเดือดส่วนหนึ่งออกมาสุนักซิงจ่อก็เบื่อแล้วก็ทอ้อล้าถอยไปเองเต่าก็รอด <c oughs> อกุศลทั้งหลายเป็นเสมือนสุนัขยิ่งเจอะพอมันเกิดปั๊บอาศัยเหตุปัจจัยที่มีอยู่เนี่ยมันก็เกิดการปรุงแต่งแล้วก็ขยี้จิตจิตก็ตกอยู่ใต้อํานาจของอกุศลก็สําเร็จขึ้นมาเป็นกรรมหนึ่งนี่การปรุงแต่งของอกุศลเหมือนกับการหับแล้วก็สะบัดสะบัดสะบัดสะบั ด, บดของสุนัขยิ่งเจอะที่กินเตา่า เวลามันเวลาเกิดเหตุปัจจัยของอกุศลและมีอกุศลขึ้นเนี่ยเวลามันไปปรุงแต่งมันจะยิ่งเพิ่มกำลังของอกุศลขึ้นจิตเราก็ตกอยู่ใต้อานาจของมันสำเร็จเป็นกรรมไปหนึ่งครั้งจบวันหนึ่งไม่รู้สักกี่รอบนะกว่าจะรู้ตัวนี่นนะดังนั้นยงมีสักครั้งหนึ่งที่เราจะต้องสู้กับมัน ที่ไม่ยอมให้มันมามีอำนาจที่ใจของเราแล้วในขณะเดินก็ตามในขณะนั่งก็ตามทำอย่างนั้นได้จิตจะกแลกล้วกล้าขึ้นมาครั้งหนึง่งพระวิจาว่าในระหว่างที่เราอยู่กับอารมณ์อันเดียวอันใดอันหนึ่งอันเป็นภายในหมายถึงว่าเป็นฐานที่ตั้งของสตินั้น มันเป็นอนิสิตะคือมันไม่เป็นที่อาศัยของตัณหามานะทิฏฐิมันเป็นจิตที่รู้บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนใครไม่ว่าร้ายใครในระหว่างนั้นบันเเยวังสะกังจิตตังสติยารามะเดดันหังเราก็ผูกจิตผูกจิตของตนไว้ในอารมณ์อันเดียวให้มั่นด้วยสติ อันนั้นเหมือนกับที่ว่าได้ยกจิตเข้าไปมาใ น, น, น, นคนนนก็แก้ด้วยวิธียกเข้าไปสู่ลมหายใจอันนี้มันเป็นมันเป็นวิธีการเพื่อไม่ให้จิตตกอยู่ใต้อํานาจของอกุศลเพราะถ้ามันสําเร็จอยู่ใต้อํานาจของอกุศลอกุศลสําเร็จขึ้นมาก็เป็นกรรมหนึ่งครั้งแม้ในความคิดก็ตกผลึกขึ้นมาจิตเราก็อยู่ในอํานาจของบหุหะเหมือนอย่างที่กล่าว และเราก็เป็นอย่างนี้มาไม่รู้ที่กี่พบกี่ชาติแล้วมาชาตินี้โชคดีเกิดในประเทศไทยโชคดีเกิดในครอบครัวที่นับถือพุทธศาสนาโชคดีคําสอนที่เป็นพระสัทธรรมยังคงอยู่เส้นทางแห่งอริยมรรยาผลยังคงอยู่อืมนี่มันเป็นความโชคดีหลายหลายหลชั้นแต่เราไม่คว้าตรงนี้ไว้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอืม ต่อไปหลังอยากนั่งเดินเสร็จแล้วก็นั่งต่อให้มันได้ต่อเนื่องเลยครับวาถ้าปรายตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้า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 ปรับลมหายใจกลางๆหายลมใจใหายลมลมหายใจออกกลางๆยาวๆให้จิตรู้สึกในขณะลมหายใจไหลออกยาวๆแต่เป็นความแรงกลางๆจากนั้นก็เข้าเวลาออกออกให้หมดลม เข้ามันก็จะยาวตามลมหายใจออก <c oughs> หายใจออกกลางๆยาวๆพร้อมกับจิตที่รู้หายใจออกยาวๆพร้อมกับจิตที่รู้จิตรู้เกาะนิ่งอยู่กับลมหายใจที่ไหลออกยาวๆจนสุดลม แล้วก็รู้ลมหายใจเข้ายาวๆหายใจออกกลางๆยาวๆหายใจเข้าทำอยู่อย่างนี้สักสีห้าคู่กงลมหายใจ นังจากนั้นก็ปรับลมหายใจธรรมดาธรรมดาหายใจออกรู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ขวาวลมหายใจที่เป็นปกติอย่างนี้ ม, มันจิตมันเกาะลมหายใจได้เราก็ใส่ใจในเนื้อลมหายใจคือรู้ในเนื้อลมหายใจเวลาเราใส่ใจในเนื้อลมหายใจจะเห็นความตั้งใจเพิ่มขึ้นจิตรู้ก็มุ่งที่จะรู้สึกต่อลมหายใจที่เข้มข้นขึ้นตั้งแต่ลมหายใจเริ่มต้นไหลออกต้นลมกลางลมปลายลม จะรู้สึกต่อลมหายใจละเอียดในเนื้อลมหายใจที่เพิ่มขึ้นลมหายใจที่ไหลออกต้นลมนั่นจะแรงตรงกลางจะเบาปลายลมก็จะแผ่วจนสุดลมหายใจออกแล้วก็ไปรู้ในเนื้อลมหายใจใส่ใจในรายละเอียดในเนื้อลมหายใจที่ไหลเขา้า อย่าไปสงสัยว่านี่มันเป็นความตั้งใจหรือเป็นการบังคับไม่ต้องสงสัยแค่เราศึกษาใส่ใจลงไปในเนื้อลมหายใจนั่น พ็ใส่ใจในเนื้อลมหายใจเราก็จะเห็นลมหายใจที่หยุดหลังจากลมหายใจออกลมหายใจที่หยุดหลังจากลมลหายใจเข้าเราก็ปรับลมหายใจรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าตามปกติแล้วก็รู้ลมหายใจหยุดด้ว ย, ยออรู้ลมหาย <ij> ใจออกและรู้ลมหายใจหยุดรู้สึกต่อลมหายใจที่หยุด เมื่อลมหายใจออกสุดเรารู้ลมหายใจเข้าเรารู้ลมหายใจหยุดรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจหยุดรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจหยุดและรู้ลมหายใจออก ทำอย่างนี้ไปเรื่อย ну oh. ๆรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจหยุดรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจหยุด ร, handout, รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจหยุดทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ Thank <laughs> you. รู้ลมหายใจธรรมดาปรับลมหายใจหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้สบายสบายธรรมดาจะเกิดความรู้สึกสบายขึ้นมากับการหายใจเราก็แค่รู้สึกว่ามันสบายไม่สงสัยไม่ยึดติดไม่ปรารถนาไม่ชอบ ไม่ชอบแล้วก็ไม่ไม่ชอบแค่รู้สึกว่ามันมีความสบายกับการลมหายใจที่สบายสบายหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ Thank you. Thank you. <c oughs> ยกจิตไปที่มือข้างขวาขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกดล้เคลื่อนมือขวาไปทางเข่าข้างขวาให้จิตรู้สึกจากนั้นโยกจิตมาที่มือข้างซ้ายขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกดล้เคลื่อนมือซ้ายช้าๆไปวางไว้ที่เข่าข้างซ้าย ยกจิตกลับมารู้เฉพาะหน้าผะหกหน้าขึ้นมาเด้หนึ่งแล้วก็ลืมตาออกสมัตินีขออนุโบทนากับการความทำและปฏิบัติธรรมในวันนี้นี่เรานั่งสองรอบ ไม่ได้มากมายอะไรนะเราเพราถ้าถ้าใครจะไปห้องน้ำลุกได้เลยนะยมเราเกิดมาเฉพาะชาตินี้เราใช้งานร่างกายเป็นธาตุของกิเลสมาทั้งชาติเพียงแค่เราจะมาเอาร่างกายมาฝึกฝนจิต ไอ้เป็นที่ตั้งของธรรมเล็กๆน้อยๆแต่เราลองถามใจตัวเองดูว่ามารู้สึกว่านา น, น, นกันนะนั่งไม่นานแต่เรารู้สึกนานเดินไม่นานแต่เรารู้สึกนานที่รู้สึกว่านานนานเนี่ยคือกิเลสทั้งนั้นนะเพราะในโลกของกิเลสนะตั้งชีวิตนะตั้งแต่เราจำความได้มาคิดดูที่เราไม่รู้สึกว่านานนะ ยิ <c oughs> ่งถ้าไปดูหนังดูละครที่ชอบใจนะที่ชอบชอบโอ๊ยนั่งรอเป็นชั่วโมงก็ไม่นานดีไม่ดีเวลาดูเวลามันจบแล้วก็รู้สึกมันทำไมมันจบเร็วจังแต่เวลาเวลาเราจะเอาจิตยิดมาเพื่อที่จะฝึกให้เป็นที่ตั้งของธรรมนี่แป๊บเดียวรู้สึกโอ้ยมันนานเพราะฉะนั้น คิดแบบนี้เปรียบเทียบแบบนี้ต่อไปข้างหน้าชีวิตเราใช้ความเพียรเพิ่มขึ้นการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนามันมีไม่มากแต่มันต้องมากด้วยความเพียรมีแก่ศีลแก่สมาธิทานศีลภาวนามีอยู่เท่านี้ไม่มีมากเพียงแต่ว่าความเพียรมันพอไม่พอ ให้ทานความเพียรไม่พอทานก็ไม่ถึงใจรักษาศีลความเพียรไม่พอศีลก็ไม่ถึงใ จ, จเจริญภาวนาความเพียรไม่พอภาวนาก็ไม่ถึงใจมันต้องทานศีลภาวนาให้มันทะลุว่ามันถึงหัวจิตหัวใจนั่นมันต้องอาใัยความเพียรเรื่องราวมันมีไม่มาก <c oughs> ที่นี่กิเลสมันเป็นเหมือนทะเลเหมือนมหาสมุทรมันมากมายไกลกองมันผูกจิตใจเราไว้นานเหมือนสุนัขจิงจอกกระเตานั่นแหละมันจะมีเต่ากี่ตัวที่รอดจากสุนัขจิงจอกได้นี่เราที่ทำท่าจะมีรู้หนทางรอดจากสุนัขจิงจอกได้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้านะแต่พระพุทธเจ้าไม่ ต, ตรัสรู้เราเกิดมาไม่ได้ยุค ข, ของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่สามารถ ก็ถูกมันรัดดึงอยู่อย่างนี้แหละเวียนว่ายตายเกิดไปสุคติมั่งทุคติมั่งมนุษ์มั่งวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแล้วได้พระพุทธเจ้ามาได้ใบ ม, มีโอกาสแบบนี้ยะาทาวาริวาหาปูราปริปุเรนติสาขรัง เงวเบวอิโตถินังเปตาณังอุปกะปติอิชิตังปติตังตุมหังกิปเมวสัมมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปานารโสยัธา마นิโชติระโสยัธาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีฆายุโกภะ อภิวาทนสิลิสะนิจังวุธาปจายโดจัตารโธมมาวัตันติอายุวันโดสุขังพลังอายัญจกโกทักขีนางตินนาสั่งคำหิสุปติติตาทีขารตางอิตายัสสะานาสอวุเปิกะปะติโสญาทิธรมโบจะอายังนิทัทถิโต เปตาณปูชาจักตาอุลาราพัลัญจพิกูนัมนุปะถินนังตุมเฮิปุังปสุตังอนัปปกันติรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยาเตจาาทุกขโรขพยาเวราโสกาสตุจุปตะวาอันเดกังอันตรายาปิวินัสันตุอาเสสตโตชยสิทธิทนังลาพังโสที่ภาขยังสุขขังพลัง สิริอายุจัวันโดจพัพโขคังวุธีจายสวาสตวสัตสาจงอายุจาชีวสิทีพระวันตุเตภวัตุสัพพังเคลังรักขันตุสัพพเท ว, วตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพทังคานุภาเวนะสัทธาโสธีพระ ว, วันตุเต